จะม า, มาตั้งไปฏิบัติจริงๆเธอตอนไปอเมริกาตั้งแต่ตั้งแต่ไปวันที่หนึ่งสิงหาพอหนึ่งกันยาก็ขึ้นไปโน้นค่ะของวัดธรรมสุจิตบิ๊กแบร์แลวเคยไปนั่งจริงๆไม่ได้ไม่ได้คิดจะไปปฏิบัติธรรมนะคะเคยขึ้นไปเที่ยวขึ้นไปเที่ยวแล้วไปเจอพระสองรูปนั่งทานข้าวกัน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 อีกคนหนึ่งที่ที่จัดงนา น, นร่วมกันเพราะในกลุ่นี้กลุ่มที่จัดในวิธีการวโเทียนในไทยอเมริกาคุณผู้จัมมานหมอจำนงคุณจุลี่ท่านี้โอกาสตอนนี้ก็วังทีก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันไปกันมาเท่านั้นเองเจะข อ, อนมโมทนาสาธุด้ดยนะต่อไปคุณเล็กเพิ่มเติมอีกจากเมือ่อคืนมีอะไรที่ต้องเสริมให้สมบูรณ์จากเมือ่อคืน